เรื่องพระมหากัสสปะเทระละความคล้องในตระกูลและปัจจัยพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารบพระมหากัสสปะเทระความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระศาสดาทรงประทับจำพรรษาอยู่ในกรุงราชฤาษรับสั่งแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโดยการล่วงไปกึ่งเดือนจากหลีกไปสู่ที่จาริก พระเถระทั้งหลายต่างเตรียมซักจีวรระบมบาทเตรียมออกเดินทางไปกับพระศาสดาแต่ในพระนครนี้มีชนอยู่ถึงสิปโคตรอุปถากบำรุงหมู่ภิกษุทั้งหลายอยู่หากพระเถระไปกันเสียหมดเท่ากับว่าจากละอุปการะคุณแก่ชนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายต่างยกโทษขึ้นกล่าวว่าพระกัสปะเถระไปไม่ได้หรอกพระท่านเป็นห่วงตระกูล และลาบสักการะที่อุปถาบบำรุงท่านอยู่พระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกลับเสียแต่ที่นี้อย่าประมาทก็พวกมนุษย์เหล่านี้เป็นทั้งญาติเป็นทั้งอุปถาของกัสปะควรให้กัสปะกลับเราไม่อาจทำให้วิหารว่างเปล่าได้ความต้องการด้วยภิษุในที่ทามงคลและอวะมงคลทั้งหลายของพวกมนุษย์มีอยู่ เธอและบริษัทของเธอจงกลับเถิดพระเทราทุนรับแล้วพาบริษัทกลับพระศาสดาทรงตรัสว่าแม้ในการก่อนกษปะก็ได้ทำความปรารถนาว่าเป็นผู้ไม่คล้องในตระกูลและปัจจัยเธอกลับเพราะเชื่อฟังคำของเราตถาคตเธอมิได้คล้องในตระกูลและปัจจัยกับวิหารบริเวณก็ดีความคล้องย่อมไม่มีแก่บุตรของเรา บุตรของเราไม่มีข้องในอะไรอะไรเลยเหมือนพยาหงร่อนลงในเปลือกตมเที่ยวไปในเปลือกตมนั้นแล้วก็บินไปฉะนั้นทรงตรัสเป็นพระคถ า, าว่าท่านผู้มีสติยอมออกไม่อยู่กับที่ท่านยอมไม่ยินดีในที่อยู่ท่านละความห่วงใ ย, ยเสียเหมือนฝูงหงละเปลือกตมไปชนนี้ คำว่าความห่วงใยอันท่านผู้มีสติพึงละเสียคือละเสียซึ่งความห่วงใยกล่าวคือไม่อะไรในวิหารที่อยู่และบริเวณในตระกูลอุปถากแม้ปัจจัยลาบสกาละผู้เจริญสติพึงมีสติละความห่วงอะไรแม้ในตัวตนอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายแม้ใจคิดนึก ที่เข้ามากระทบแล้วที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดความอาลัยไม่ห่วงหาอาลัยแล้วดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญสติเป็นผู้มีสติไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้เป็นสักแต่ว่ามันไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินเป็นต้นเกิดแล้วดับไปแล้วเป็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วก็ดับไปแล้ว เกิดใหม่แล้วก็ดับไปอีกเป็นเช่นนี้ทั้งโลกและจักรวาล